วิเคราะห์เสขียะเธอจงฟังอาบัตที่เราเรียกว่าเสขียะตามลำดับข้อนั้นเป็นเบื้องต้นเป็นข้อประพฤติเป็นทางและเป็นข้อสังวรระหวังของพระเสขะผู้กำลังศึกษาผู้ดำเนินไปสู่เส้นทางตรงสิกขาทั้งหลายเช่นนี้ไม่มีเพราะเหตุนั้น เราจึงเรียกข้อนั้นว่าเสขียะ